ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัสนียมสนทนาทางสถานวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ค่ะเช้าตรู่เวลาประมาณตี5นะคะถึงตีห้ครึ่งก็เป็นเวลาที่ดิฉันสัสนียมนาฏพงได้มาพบกับท่านโดยมีพระอาจารย์คือพระมหาภัยบุย์อภิปุโ น, โนนะคะจากวัดป่าดอนหายสงอุดรธานีวัดที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน ให้กับท่านทั้งหลายที่สนใจฝ่ายปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเราก็ตั้งใจนะคะที่จะให้ความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราคิดว่าเราเป็นเพราะทันทีที่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ลงทะเบียนให้เป็นการเป็นพุทธศาสนิกชนเนีย่ยแท้จริงคือเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาด้วยไม่เพียงแต่ได้รู้จากการฟัง แต่เราจะมุ่งเน้นให้ท่านได้นําไปสู่การปฏิบัติแล้วไม่ให้ปฏิบัติอย่างว้าเหวนะคะมีการสึกปฏิบัติโดยพระอาจารย์ผ่านทางอากาศไปเนี่ยแหะค่ะในตอนต้นของรายการอธิบายใช้ประกอบในการปฏิบัติของพวกเราเพื่อให้เข้าถึงธรรมโดยธรรมที่ถูกจิตด้วยทุตัวชนะนั้นให้ถึงอกถึงใจแล้วก็จะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเทียได้เดินถูกนะคะตามคําสอนของพระาศาสดา ก็เตรียมตัวกันเลยนะคะที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหลังจากที่ที่ชั้นพาท่านทั้งหลายไปกล่าวในมหกรรมมหาไตรบูรุษอาทิตย์คุณโนในวินาทีต่อจากนี้ไปค่ะกร่าวนมสการมกันทั้งคะเช็บาลเวลาที่เราจะเริ่มปฏิบัติธรรมนั้นอำพฤษชก็ได้เคยตรัสถึงว่าให้อาศัยอยู่ในเสนาสนะอันสงัดในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรือนว่างก็ได้คนไม้ก็ได้และเมื่อเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด ก็หมายถึงว่าที่ที่มันว่างไม่มีกิจกรรมอื่นใดๆจะเป็นในรถหรือว่าในห้องนอนหรือว่าในห้องพระก็ได้ที่ว่าไม่มีกิจกรรมอื่นในขณะที่เรา อ, อยู่ในสถานที่แบบนี้นก็ตั้งกายตรงนั้นดำรงสติไว้เฉพาะน้นจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ไม่มีปัญหาเวลาที่เราจะดำรงสติเอาไว้่ก็ใช้คำว่าตั้งสติขึ้ น, น, นสติคือความระลึกได้เราระลึกถึงลมหายใจของเรา บริเวณไหนคือบริเวณที่ทางเข้าทางออกของลมหายใจในะที่มันจะเข้าจะออกผ่านในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเข้าจะออกอยู่บริเวณโพรงจมูกเวลาที่เราจะมานึกถึงลมหายใจนั้นแต่ก็ไม่ได้ตามลมเข้าไปหรือไม่ได้ตามลมออกมาแต่อยู่บริเวณทางเข้าทางออกพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเรื่องของนายทวานนั่นะคือยามที่เฝ้าประตูนะจะคอยตรวจคนเข้าคอยตรวจคนออกเช่นเดียวกันเวลาที่เรามา ฝึกปฏิบัตินั้นเราก็ตั้งสติเอาไว้แล้วก็ให้สังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกแต่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเราจริตของเราตั้งไว้ที่นั่นแล้วก็สังเกต ด, ดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกาจะเห็นลมมีความแตกต่างกันไปอุณหภูมิเข้าก็จะเย็นกว่าอุณหภูมิของลมหายใจออกบ้างแต่บางเวลาลมหายใจที่ลมหายใจห่างก็จะแตกต่างกัน เรื่องของการที่เราสังเกตดูลมหายใจนี้ก็คือสติตั้งขึ้นละในเวลาที่สติตั้งขึ้นนั้นคือเรามีใจจดใจจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวในที่นี้คือเรื่องของลมหายใจในผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สมรวมอินทรีย์พระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการที่เรามาคอยรักษาสมรวมอินทรีย์นั่นะคือตาหูของเราเนี่ยนั่นะคือผ่านตั้งใจเพราะใจมันจะเข้าไปรับรู้ในะใจที่มีการสมรวมดีแล้ว หนะ้าตาหูจมูกลิ้นก็นได้รับการรักษาไปด้วยแลนะได้เคยเปรียบเทียบถึงกิริยาอาการของอาการสำรวมอินทรีย์ตรงนี้เอาไว้แนละโดยเล่าเรื่องในสมัยก่อนให้ฟังอย่างนี้ว่าวิสุทธ์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลําตาลในตอนเย็นสุนะัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลําตาลในตอนเย็นเช่นเดียวกัน เต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลกันแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีสีรษะเป็นที่หเข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ใกล้เหมือนกันรันแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เตา่า คอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาในบรรดาอาวัยวะทั้งหลายมีศีสาบเป็นที่5เราจะกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่ออกมากินเสียดังนี้ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสจะต้องหลีกไปเองฉันไหนกับฉันนั้น มารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อกันอย่างไม่ขาดระยะอยู่ว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจ ม, มูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งทําการสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ทั้งหลายยุติเดคือเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็อย่าถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและอย่าถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนส่วนสิ่งใดที่เป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโตมนัต จะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สํารวมอินทรีย์อันใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จงรักษาถึงความสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายและในการใดที่พวกเธอเป็นผู้กุมกรองตะวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปก็จะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจะต้องหลีไปเอง เหมือนสูนยักชิงจอกไม่ได้ช่องจากเตาก็หลีกไปอ่างฉันนั้นเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดเธอบึงตั้งความตริตรึกทางใจไว้ในกระดองกล่าวคือฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตเป็นผู้ที่ตนาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ ดับสนิทยเย็นแล้วนี่คือประมาณประมาณยูชาเปรีบเทียบให้เรามีการรักษาอินรีย์โดยการที่ตั้งสติเอาไว้จันทร์ปานสนธุค่ะจนกว่ที่ครบค่ะและนั้นก็เป็นการนำปฏิบัติธรรมโดยพระมหาภับุญอภิจุนโนจากวัดป่าดอนหายโสดรธานีด้วยพระสูตรที่ว่าด้วยการที่สํารวมอินทรีย์แล้วจะทําให้รอดพ้นจากมารทุจใจบาป เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับเตา่าที่หดอ ว, ว, วัยวะไวในกระดองจึงปลอดภัยจากสุนัขจิ้งจอกที่คอยจ้องจะมาขย่ำใช่เพอย่างนั้นเถอะนะคะอุปมาไนี้แยบขายมากแต่มาพิจารณาไครคกรวนหลายหลา ย, หลายรอบได้แย้มมุมหลายๆอย่างในแต่ละโอกาสนะช เ, เช่นว่าเต่าเนี่ยเวลามันหดหัวอยู่ในกระดองเนี่ย ถ้าเราไปดูกิริยาของมันเต่าจริงๆเนี่ยนะเราจะพบว่าเต่าเนี่ยจะต้องลืมตาอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่เคยหลับตาเลยในเวลาที่ที่หลบอันตรายคือนอนเขาก็หลับตาไปใช่ไหมแต่ตอนตอ น, ตอนที่หดหัวเพื่อหลบอันตรายเนี่ยเขาก็จะต้องลืมตาตลอดอันนี้เป็นใช่เราเราไปดูชีวิตของเต่าก็ได้ดูสารคดีหรือว่าลองเสิร์ชหาข้อมูลดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้ น, นอันนี้อันนี้เป็นอุปามาอุปไมยที่ให้เห็นว่าอยาเวลาที่เรา เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเรารับรู้ถึงภาษาแน่นอนนี่างเช่นถูกดาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับรู้ถึงเสียงได้แน่นอนแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบไม่งั้นมันจะได้ช่องนะคือเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเปรียบเสมือนมารที่วางกับดักเอาไว้นะคือมารเนี่ยบางทีมันก็มาเองแต่นะบางทีมันก็ส่งลูกสมุนมาแต่นะบางทีมันก็วางกับดักเอาไว้ นะกับดักของมานเช่นของที่เราจะพอใจของที่เราจะไม่ชอบใจพวกนี้มันจะวางกับดักไว้อยู่ตรงตางหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้นะทีนี้เราเองเนี่ยที่มันจะไปติดกับดักของมนันเพราะฉะนั้นไอ้ภัสาวะที่มันมาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของสุนัขจิ้งจอกนะที่พยายามที่จะมาดึงจิตของเราผ่านทางอินทรีย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ภัษาวะที่มาเนี่ยไม่ใช่จิตนะจิตไม่ใช่ผัสสาวะที่มากระทบเพราะนั้น ร้าผมว่าจิตของเราเนี่ยมันเหนียวหนืดมียังมาต่อยมีตันหามากเนี่ยมีอะไรมากระทบปุ๊บเกิดอารมณ์ขึ้นปุ๊บมันก็เอาอารมณ์นั้นนะเป็นตัวมันนะซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่เพราะฉะ น, นั้นถ้าผมว่าเราทําความเข้าใจนี้เราจะชัดเจนมากขึ้นว่าโอ้อารมณ์ก็ส่วนหนึ่งตัวจิตก็ส่วนหนึ่งกระดองเต่าในที่นี้ก็หมายถึงลงหมหายใจของเราเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ฉันคิดว่า เราท่านท่านที่ยังไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระพุธองสอนเนี่ยบางทีฟังฟังอยู่ก็มีความรู้สึกนะครับว่าแล้วก็เราจะไประแวดระวังทำไม mm hmm. เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะันมันก็เป็นอวัยวะของเราที่ต้องทำหน้าที่ไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพาเราไปเจอแต่สิ่งที่ ไม่ชอบใจซะเมื่อไหร่อืบางอย่างนี่ไปเจอพุกแมะโอ้โหเป็นบุญตาเหลือเกินเป็นบุญหูเหลือเกินใช่ไหมคะเป็นบุญลิ้นเหลือเกินเป็นบุญตัวชั้นได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องพูดถึงว่ามีมีประสูตรหนึ่งนะที่พุทเจ้าได้เปรียบเทียบว่าอตาเนี่ยตาเนี่ยมันเหมือนเป็นช่องหูก็เป็นช่องจมูกก็เป็นช่องช่องอะไรตาเนี่ยเป็นช่องให้รูปเข้ามาหาใจได้นะฮูเป็นช่องให้เสียงเข้ามาหาใจได้ นะจมูกเป็นช่องให้กลิ่นเข้ามาหาใจได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอายตนะภายในเนี่ยที่พูดถึงตาหูจมูก ล, ลิ้นกายใส่พวกนี้เป็นช่องทางที่เฉยนะส่วนสิ่งที่มันจะมาเนี่ยก็คือภายนอกก็เรียกว่าอายตนะภายนอกถูกไหมเพรา ะ, ะนั้นเวลา ม, ามันมามันมาอะไรอะไรจ ะ, จะไปรู้นั่นก็คือใจของเราที่อยู่ข้างในจิตนั่นแหละนะจิตคือคือวิญญาณตัวนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสไว้ตรงหนึ่งบอกว่าตาเนี่ย ย่อมเดือดร้อนเพราะรูปอนนันเป็นหน้าที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะหูก็ย่อมเดือดร้อนเพระเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนั้นะเดือดร้อนยังไงมันเดือดร้อนตรงนี้คุณชมติยวนะสมมุติเสียงที่น่าชอบใจเอาเสียงที่ไม่น่าชอบใจอยู่ก่อนนะอันนี้เราก็เข้าใจดีเสียงผ่านมาทางหูปุ๊บอา้าวมันเสียงด่าที่นาะมันก็จะดึงจิตของเราออกไปผ่านทางหูนะก็ลากลงไปรนะะใจเราก็จะแบบไม่พอใจโกรธเกลียดเคียดแค้นมีปยาบาดเกิดขึ้นอันนี้ เราชัดเจนนะอันนี้ชัดเจน<ะ>แต่ตอนนี้ถ้าเสียงที่น่าพอใจเช่นเสียงชมเสียงดนตรีที่เพร า, ราะๆเสียงโยกย่องสรนเสริญอะไรพวกนี้ยมันก็จะผ่านมาทางหูใช่ไหมแล้วมันก็จะจับจิตของเราถ้าจิตของเรานะเป็นเสียงที่เราชอบใจเนี่ยมันก็จะลากจิตของเราขึ้นลากไปไหนให้เราเพลิดเพลินลุ่มห ล, ลงมัวเมาในสิ่งนั้นนะพอมัวเมาแล้วนะมันจะประมาทนะจะลุ่มหลงทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกหรือว่าถ้ามันสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเสียงที่ชอบอา้าว ทำไมดนตรีเปลี่ยนไปหรือทำไมเข้าเปลี่ยนไปอันนี้เราจะทุกข์เราจะเดือดร้อนอีกเหมือนกนนันก็จึงมีความเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจจะเดือดร้อนหมดเลยค่ก็เท่ากับว่าถ้าเราให้อายตนะภายในนะคะคือเวทว่าต่างๆของเราไปสัมผัสไปมีผัสสะกับอายตนะภายนอกคือรูปาาในกรณีตาถูกต้อง นะคะมันก็จะเกิดการไปรู้แล้วเกิดที่เราภาษาพระเรียกเวทนาใช่ไหคะชอบใจไม่ชอบใจแล้วสิ่งพวเนี้จะนำความเดือดร้อนมาให้เราในที่สุดถึงแม้ว่าจะไปในทางที่เราชอบเราพอใจก็ตามทีเพราะมันจะไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไปถูกต้องนะคะนั่นแหละมันฟังตามไว้หมคะแต่แี่ท่านเข้าใจว่านะท่านคะ อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองออะไรที่เป็นเวทนาที่เป็นความไม่ชอบเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายวางง่ายปฏิบัติตามคําสอนง่ายอืแต่พอเป็นผัสสะกับอายตนะทายนอกเป็นรูปที่เราชอบใจเนี่ยมันวางยากกว่าอืมัมนมักจะเพลินไปกับนันอย่างนั้นยิ่งถ้าเป็นเสียง ส, สรังงนสรวยงาอนะคะอเกตัวเองนะ พอไปเจอใครชมว่าไม่แก่หน่อยนนเนี่ยฝันหวานไปนานหลายวันแต่พอใครบอกว่าเอ้แก่ลงนะเองเนี้ย น, นะคะอรีบลงเลยค่ะท่านค่ะออันนี้แหละที่ว่าไ อ, อ, อ, อ้พิษที่มันมันมันฝังเอาไว้เนี่ยมันจะโผล่ออกมาคือยาพิษเนี่ย อ, อมันออกพิษอยู่พิษพิษมันถูกเข้าไปในกายแล้วอย่างคำชมเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับก็เรียกว่าลูกศรอาบยาพิษ เราถูกแทงแต่เราไม่รู้ตัวแล้วพิษเนี่ยมันยังไม่ออกฤทิ์นะมันมาออกฤธิ์เมื่อไหร่เมื่อความจริงมันปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่ถูกแทงเนี่ยริ์มันยังไม่ออกเนี่ยพิษยังไม่แล่นเข้าสู่หัวใจอืแต่เมื่อไหร่ที่พิษแล่นเข้าสู่หัวใจปุ๊บเราจะเจ็บจี๊ดเลยเมื่อเราดูกระจกอา้าวมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาพูดอเงี้ยค่ะไอ้ดูกระจกเองไม่ใช่เท่าไหร่แมนะ่บ้านแต่ถ้ามีใครสักคนเนี่ยนะคะ ไม่ในนาทีถัดมาเลยไม่ได้ยินคนนั้นพูดเลยหรือไงออหรือว่าตาเธอมันเป็นยังไงนะเยนเคยนั่งแท็กซี่คะ่ะโอหวันนั้นขวัญเสียไปทั้งวันเลยแท็กซี่เขาหันมาคุณคนนั้นหรือเปล่าทำไมแก่ลงไปเยอะเลยนะแหมต้องเสียขวัญเลยนะอย่างงี้ <c oughs> ใช่ค่ะทีนี้อยากจะกลับเรียนถามนาคะถ้าสมมุติว่าเป็น ตามคําสอนของพระศาสดาใช่ไหมคะว่าให้เราทําตัวเป็นเต่าแล้วก็หดกระดองเอาไว้จะ ไ, ได้ไม่ถูกมานผู้ใจบาปผู้ใจบาปทั้งหลายทําร้ายเนี่ยกรณีที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราต้องทํำยังไงเหรอค ะ, อะกรณีนี้คือเสียงมาเป็นนะผัสสะเนี่ยามาทางหูปุ๊บเนี่ยถ้าเบอกว่ามากระทบใจเราแล้วปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเนะีทีนี้อารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจนี่แหละคือมาน ที่มันได้ช่องมันเกิดขึ้นละทีนี้ถ้าบอว่าเราไม่ฉลาดนะคือไม่ได้มีกระดองเตา่านะัเราก็จะเห็นว่าไออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวเราของเรานั่นะฉันก็เราก็จะหวั่นไว้โกรธไปตามเสียงที่เขาพูดตรงนั้นนั่นนะเช่นเราก็จะด่ากลาบบ้างเราก็จะทํางานไม่ได้บ้างจิตใจวุ่นวายไปอันนั้นก็คือไม่ถูกนะแตนี้ถ้าบอว่าเรามีกระดองเตา่านะักระดองเต่านที่นี่กําลังเปรียบเทียบกับลมหายใจเป็นต้นนะมีสติรักษาไว้ นะมีมีเสียงผ่านมาทางหูปุ๊บกระทบถึงใจเกิดเป็นอารมณ์โกรธขึ้นนะอารมณ์โกรธเนี่ยถ้าผมว่าเรามีสติยับยั้งไว้มันเป็นสุนัขจริงจออกมาแล้วนะสุนัขจริงจ่อมาแล้วนะสุนัขจริงจอเนี่ยไม่ใช่ตัวจิตนะนะถ้าผมว่าเรามีสติคุ้มกันจิตของเราเอาไว้พรว่านะเราก็จะเห็นว่าอ้าวไอ้นี่มันมันมันเป็นม า, า น, นิมันเป็นสิ่งที่มากระทบนะทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวนะเราก็รักษาจิตของเราด้วยสติพวกนั้นมันก็จะอยู่อยู่นะ นะไอ้ความโกรธนั้นจะยังอยู่อยู่แต่ว่าเราจะรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวเราคนละอันกันแตนะ่เราก็จะมีความยับยั้งได้ในระดับหนึ่งที่ว่ามันจะไม่ไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีใช่นไม่ดากราบนะจิตใจเราก็ยังพอที่จะมั่นคงทํางานไปไดนะ้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้ช่องนะสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องมันก็จะต้องหลีกไปเองนะคือเหมือนกันว่าไออารมณ์โกรธเนี่ยถ้าบอกว่ามันอยู่แล้วมันไม่ได้ตัวเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จางไปเพราะอะไรเพราะภาษาเน้นจะหายไป หนาภาษาที่ทําให้อารมณ์โกรธนั้นหายไปปุ๊บไอ้อารมณ์โกรธนั้นก็ต้องหายไปเป็นคนละตัวกันค่ะอตอนได้ติฉันหนึ่งนึกว่าท่านจะบอกว่าต้อ ง, องไปเริ่มต้นตั้งแต่อย่าไปฟังอะไรเลยไม่ไปถัดศาสกักไรเลยถึงการปิดประตูใช่ไหมคะในการที่จะอันนั้นก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งได้เหมือนกันเป็นวิธีหนึ่งได้เหมือนกันอืมค่ะหลายขั้นตอนแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วให้ทําอย่างนี้ใช่ใช่ แต่ถ้าทางที่ดีก็อย่าไปเปิดหูหาความไม่สบายใจหาความทุกข์อย่างนั้นอยนี้ค่ะคือถ้าเราเตรียมการไว้ก่อนแล้วนะว่าให้ชั้นแก่อยู่นี่นะเนี่อันนี้เรายอมรับอยู่ตั้งแต่แรกแลแต่เพราะเด็น ถ, ถ้าเขาพูดยังไงปุ๊บฉันก็จะไม่มีปัญหาละหรือถ้าเขาจะบอกในทางตรงข้ามบอกว่าคุณยังไม่แก่อันนี้มันมันประจบสอบอรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆฉันยอมรับอยู่แล้วว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะค่ะแต่ในทางพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระาศาสดาเนี่ย ไม่ได้แค่หวังให้เราปิดทวารของเราทั้งหลายปิดอินทรีย์ของเราทั้งหลาย <G ül> ไม่ให้ไปไม่พอใจกับอะไรที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะถูกต้องท่านคาดหวังมากกว่านั้นคืออะไรคะก็คือว่าต่อให้เรารับมันมาเนืรับมันมาคือเราเรามีการกระทบแน่นอนอนะ่ะบางทีเรายากในการที่จะไม่ดูไม่ฟังอะไรมันทีมันยากใช่ไหมต่อให้เราดูเราฟัง เราก็เป็นผู้ที่ยังอดทนอยู่ได้ต่อภันาที่มันไม่น่าพอใจต่อเสียงด่าเสียงว่าวเราอดทนอยู่ได้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกคุณธรรมหนึ่งนะที่เราเราจะเอามาใช้ได้เหมือนกันคช่ไหมะคะทีนี้อย่างกับบทเพียญชนะของพระสูตรนี้ถ้าจะพูดโดยภาพรวมก็คือว่าสอนแบบดิฉันเข้าใจว่าน่าจะแบบรวบยอดเลยละ่ะ ว่าถ้าจะอ่าป้องกันไม่ให้มานทั้งหลายมาทําร้ายได้อืมอย่างเดียวเลยคือเป็นนายทวารที่คุ้มครองอิอนทรีย์ทั้งหลายใช่อินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เวลานายทวารที่เขคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายในนายทวานนี้ก็ต้องฉลาดพอสมควรนะว่าให้สิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเข้าได้นะห้ามสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เข้า ในกรณีเมื่อสักครู่อย่างกรณีคุณยมติ๋วว่าแท็กซี่ไม่รู้พูดอะไรมาเนี่ยน่นเกิดเป็นอารมณ์กดขึ้นปุ๊บอารมณ์กดเป็นอกุศลแต่อย่าให้มันเข้ามาอ่า ใ, ใช่ไหมแต่นี้ถ้าปรากฏว่าเอ๊ะปรากฏเป็นอารมณ์สักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเออเขาพูดจริงฮ่นะีหรือว่าเขาพูดสิ่งที่เราควรจะต้องทราบฮ่ เ, เราเห็นความจริงตรงนี้ปุ๊บอ้าวนั่นเป็นกุศลนี่อ่ะให้เขาได้อย่างเงี้ยอันนี้คือในถวาวรก็ต้องฉลาดตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีการฝึกจิต บ, บ้างอะไรบ้างนะฝึกสติอย่างที่เรา ทำได้ตตอนต้นรายการนี่แหละคือการฝึกในทวารในทวารคือสตินั่นเองค่ะยังรู้แต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนกับพระสูตรที่ท่านพูดในวันก่อนๆ น, นะคะ ม, มันยากเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราฝึกมาพอสมควรละแต่พอบางเรื่องโอ้โหลงรถแท็กซี่ไปเนี่ยเรื่องนี้ยังอยู่ในใจอีกนานเลยนะคะเป็นวันๆเลยท่านคิดแล้วขำแล้วก็ คิดแล้วก็มีความรู้สึกว่ากูจะไม่เป็นเลยนะคนเนี้ยอืทําให้คนขึ้นแท็กซี่มีความทุกข์เออก็อันนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้ว่าภาษาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีนะทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นในอย่างไรอันนี้คือคือสิ่งที่เรามาต้องการจะสื่ออนะว่าถ้าสมมุติเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะเราจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้ นะเช่น <ạ. S 1> ว่าไอ้คนนี้ก็ไม่น่าพูดอย่างนี้เอองั้นเราก็มาทําเป็นเครื่องขุดเก่าว่าเออฉันจะไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้ละอันนี้เราก็เรียนรู้ได้นะ อ, อหรือว่าเออทาไมเขาต้องพูดกับฉันอย่างนี้น่าจะพูดในคําอื่นๆเอออันนี้ก็เราก็เรียนรู้ว่าเออเราน่าจะกําหนดเปลี่ยนจะน่าให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยก็ก็เรียนรู้ได้อย่างเงี้เหมือนกันนะสําหรับห่วงเวลาเนี้ยเี๋ฉันเข้าใจว่าจะมีคนอยู่เป็นจนํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่มีความทุกข์กับ เรื่องความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอันนี้ดิฉันเปรียบเทียบเพราะว่าได้ยินเพื่อนพูดหลายคนแล้วะคะ่ะอผมว่าไม่มีความสุขอะช่วงเนี้ยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนะคะ uh huh. แต่เหมือนจะอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยซึ่งเรามีความเชื่อไม่เหมือนกับอีกคนนึงที่เขาเชื่ออีกแบบหนึง่งแล้วต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะอ uh huh. เรื่องพวกนี้ก็สามารถจะใช้พระสูตรนี้ ไปช่วยได้เหมือนกันถูกต้องถูกต้องถูกต้องเนะี่ยเพราะว่าเป็นการสํารวมอินทรีย์ see, อะไรที่จะมันเป็นอกุศลเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ของเรานะเราต้องกัน้นกีดกั้นมันออกไปนะแล้วก็เวลาที่เจอผัสสะทั้งพอใจไม่พอใจนะอันนั้นเป็นเป็นเหตุของผลอะไรของผลที่จะอะไรที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลที่จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนต่อไปะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยเต่าเนี่ยมันไปไหนมันก็เอากระดองมันไปด้วย นูก็มาเคยดูสมัยเด็กๆอ่ะเขาทําเป็นเล่นๆว่าเต่ากับกระดองเต่าตัวเต่าเนี่ยมันแยกกันได้แต่จริงๆในทางทางชีววิทยามันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันโตมาพร้อมกันนะเช่นเดียวกันเรากับลมหายใจเนี่ยไปด้วยกันทุกที่นะอย่าลืมลมหายใจนะถ้าเราไม่ลืมลมหายใจเนี่ยเรามีสติรักษาอยู่ตลอดนะจิตใจของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแนะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละค่ะไอในที่นี้ กระดองเนีหมายถึงลมหายใจยใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการนั่นเองถูกต้องถูกต้องพูดถึงลมหายใจยนะคะอ่าถ้าเราไม่เคยมาเสดธรรมะของพระาศาสดาแล้วเราจะลืมถึงความสําคัญของลมหายใจไปเลย ท, ทั้งทั้งที่อ๋อเมื่อมาฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีการปฏิบัติของท่านให้ความสําคัญกับการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือมากแล้วก็เลยทำ ค่ะทำให้เราได้คิดหลายอย่างนะคะว่าอ๋อลมหายใจนี่มันสําคัญที่สุดนี่นาถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ตายแต่เอ๊ะทำไมที่ผ่านมาก่อนมารู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เคยสนใจมันเลยนะอันนี้เขาเรียกหายใจจริงเฉยไม่คิดด้วยซ้ําเลยว่ากําลังหายใจอยู่ไม่เคยคิดเลยนะคะท่านคะอืมอืมค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเพราะว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็ใกล้ความตายเข้าไปหายใจลมหนึ่งถูกไหมตอนนี้เราจะทํายังไงหลักก็ในเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติอยู่ปุ๊บเนี่ย เราก็ใกล้สู่ความไม่ตายด้วยนะเข้าไปอีกลมหนึ่งนั่นคือความเป็นธ<ช>รรมตาะนะและเมื่อเรามารู้จักคําสอนของพระศาสดาเราจะได้รู้ว่าไม่เพียงแต่ทําให้เรามีชีวิตเท่านั้นนะอการมีลมหายใจนี่ยังเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะไข้ ค, ครวนเขาละกันแล้วก็มีเวลาไข้ครวนสองวันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านก็ จะไม่ได้อยู่ในรายการเราเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ท่านก็มีรายการของท่านหลายเที่ยค่ะเราก็จะเชิญท่านทั้งหลายมาพบกันใหม่หลังจากที่ฝึกปฏิบัติกับตัวของท่านเองในวันเสาร์อาทิตย์นี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนะคะตั้งแต่เวลาตี5เช่นเคยวันนี้ก็กราบนมุสการขอบพระคุณมหาภัยบุญที่ปุณ โ, โนนะคะมุสการค่ะแล้วก็ลาท่านฟังทั้งหลายไปแต่เทียเท่านี้ฟุทัวสวัสดีค่ะ